สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าเรื่องคํำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่ห้าสิบสี่ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้พูดถึงความหมายของคําว่าบาปถึงห้าประการด้วยกันวันนี้ผมจะทําความเข้าใจและเพื่อที่จะสร้างภาพให้ท่านได้เห็น ความหมายนี้นะครับผมอยากจะเปรียบเทียบความหมายทั้งห้านี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลครับการเล่นฟุตบอลนี้หลายหลคนนีงก็ชอบเล่นแล้วก็ชอบดูผมอยากจะเปรียบเทียบว่าความหมายความบาปก็คือคาแรกก็คือฮามาเทียนะครับฮามาเทียแปลว่าการพลาดไปจากเป้านะครับถ้าเปรียบเทียบกับการเล่นฟุตบอลก็คือยิงไม่เข้าครับพลาดเป้าก็คือยิงไม่เข้าเพราะฉะนั้น การพลาดเป้าหรือยิงไม่เข้านั้นก็เป็นความหมายแรกก็คือ hamartia นะครับถ้าเรายิงลูกไม่เข้านั่นคือบาปครับมีความหมายของัมพีนะครับคําที่สองครับก็คือ p า r a b a s i s มีความหมายว่าการก้าวข้ามเส้นของพระเจ้าที่ขีดกันระหว่างความถูกและความผิดมันเป็นการกระทําในสิ่งที่ต้องห้ามโดยความคิดทางวาจาและการประพฤตินะครับเปรียบกับการเล่นฟุตบอลก็คือ การก้าวข้ามเส้นนะครับก็คือการล้ำหน้านั่นเองล้ำหน้านั้นก็ผิดกติกาใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นความบาปด้วยเหมือนกันในความหมายที่สองคือพา r าเบสิสความหมายที่สามคำว่าอานเมียซึ่งมีพื้นฐานมาจากคำว่าโนมอสนะครับมีความหมายถึงการละเลยกฎอย่างจำแจ้งเป็นการบทปรัเจ้านะครับนี่มีความหมายว่าเมื่อผู้เล่นฟุตบอลนั้นจงใจนะครับจงใจที่จะทา เปลนะครับหรือทําผิดกฎนะครับผิดกติกานี่คือการไม่เชื่อฟังหรือการกรบฏต่อกติกาหรือไม่เชื่อฟังกรรมการนะครับนี่คือความหมายที่สามคำว่าอโนเมียนี้ค่อนข้างจะเป็นการจงใจนะครับในความหมายของการจงใจพี่น้องครับประการที่สี่ครับคําที่สี่ก็คือการล่วงละเมิดหรือภาร็อปโชมา หมายถึงการลื่นหรือล้มนะครับเราจะเห็นสนามครับสนามฟุตบอลที่ฝนตกนะครับสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับนักเล่นหรือผู้เล่นก็มักจะลื่นมักจะลม้มความหมายตรงนี้ก็เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับที่ชักนําและชักจูงทำให้เราหลงผิดและทำบาปได้แต่ในที่สุดการล่วงละเมิดตรงนี้นะครับก็กลายเป็นความบาปเช่นกัน ความหมายประการที่ห้านะครับก็คือหนี้ครับหรือโอเฟเลมาโอเฟเลมานะครับการติดหนี้เมื่อเราทำบาปเราติดหนี้ใครครับติดหนี้พระเจ้าครับเปรียบเสมือนกับนักเล่นฟุตบอลโดนใบเหลืองครับโดยใบเหลืองก็คือว่าเป็นการติดหนึ่งครั้งนะครับใบเหลืองสองครั้งก็คือใบแดงเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องออกจากการเล่น พี่น้องครับเราติดหนี้พระเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะอธิบายถึงเรื่องของการติดหนี้บาปเราจะต้องชําระหนี้บาปของเราต่อหน้าพ ร, พ, พระที่นั่งใหญ่สีขาวครับก็คือการพิพากษาในพระธรรมวิบวชบทที่ยี่สิบในพระธรรมวิบวชบทที่ยี่ิบเนี่ยข้อสิบเอดถึงสิบห้าพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนที่ไม่เชื่อแยกคนที่เชื่อออกจากคนที่ไม่เชื่อ และหนังสือชีวิตนะครับหนังสือชีวิตนั้นก็คือหนังสือที่จดบันทึกรายชื่อของผู้ที่จะมีชีวิตนิรันดร์และยังมีหนังสือต่างๆด้วยหนังสือต่างๆนั้นคืออะไรครับหนังสือเรื่องต่างๆนั้นคือหนังสือที่จดบันทึกหนี้ที่ยังไม่ได้ชําระพี่น้องครับพวกรับบีและพวกยูในสมัยของพระเยซูคาทั่วไปที่ใช้หมายถึงหนี้ก็คือคําว่าโควา ซึ่งเป็นภาษาอาราเมะครับหมายถึงความรับผิดชอบการติดหนี้หมายถึงเราต้องค้างนะครับชําระหนี้หรือต้องรับผิดชอบในการชําระหนี้ถ้าเราอ่านพระธรรมลูกาครับคำมรดิฐ า, านตามอย่างพระเยซูพระธรรมลูกาบอกว่าขอทรงโปรดยกการล่วงละเมิดของเราทั้งหลายอันนี้คือเขียนในสํานวนภาษากรีกนะครับเป็นไปได้ว่าท่านลูกาต้องการให้พูดสลาดลวยแต่มัทธิวพูดเน้นถึงคําว่านี่เลยครับ ตามความคิดของคนยิวอย่างมัทถิวเขารู้จักคนยิวดีครับว่าเราจะต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบรับผิดชอบชำระนี้เราเป็นหนี้พระเจ้าเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้บาปที่เราทาอย่างไม่ลดละหนี้บาปที่เราสะสมไว้ซึ่งเราไม่สามารถชำระได้ด้วยตัวเองแม้ว่าเปโตรก็ยังบอกว่าพระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้หา่างคาโรงเถิดเพราะว่าคาโรงนั้นเป็นคนบาปคาโรงนั้นเป็นคนบาปไปตัวรู้ครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปตัวเองนั้นไม่สามารถเข้าใกล้พระเยซูได้แม้กระทั่งเปาโลครับก็พูดเช่นเดียวกันในบรรดาคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกในบรรดาคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกบันทึกไว้อยู่ในหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งครับพระเยซูทรงสอนให้ทุกคนอธิษฐานว่า ขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายและในการนี้พระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าความบาปนั้นเป็นปัญหาหนี้นะครับของสากลละโลกและถือว่าเป็นหนี้เสียด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นหนี้ที่ไม่สามารถชําระได้ด้วยตัวเองและนี่คือสิ่งที่พระเยซูจะต้องเสด็จมาในโลกนี้เพื่อชําระหนี้บาปของเราในยอห์นบทที่สิบหกนะครับได้บอกว่าพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อให้โลกรู้แจ้งเรื่องความผิดบาปพระวิญ ญ, ญาณกําลัง ยื่นนะครับใบที่สั่งให้เราชําระนี่ให้เรารู้แจ้งครับเรื่องความผิดบาปที่เราทําอยู่หรือหนี้บาปที่เราต้องชําระผู้ที่รู้จักทาาแท้ของตัวเองอย่างแท้จริงก็คือผู้ที่รู้ว่าเขาตัวเองติดหนี้พระเจ้าครับตัวเขาเองหรือพวกเราทุกคนนั้นเป็นหนี้พระเจ้าและเราต้องการการยกโทษจากพระองค์เพราะฉะนั้นการอภัยโทษบาปนะครับ ถ้าความบาปเป็นปัญหาการอภัยโทษก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าแก้ปัญหาและเป็นสิ่งที่พระเจ้าโปรดประทานให้กับเราการอไมยโทษคือการที่พระเจ้ามองข้ามความผิดของเราพระเจ้าทรงลบล้างความผิดของเราออกไปจากหนังสือต่างๆที่บันทึกอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ยี่สิบได้กล่าวไว้พระเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้หลุดจากนี้ทรงช่วยเราให้หลุดพ้นจากการลงโทษและความผิดบาป การอภัยโทษนั้นคือสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตของเรามีคาบที่เจ็ดข้อสิบแปดิบเก้า 7, 18, ได้เขียนววาอย่างนี้ว่าใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงถือพระบิโรดเนืองนิดเพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นงงคงทรงทรงเมตตาเราังหลาย ทรงจะทรงเหยียบความผิดของเราไว้และจะทรงเวียงบาปทั้งหลายของเราลงไปในที่ลึกของทะเลพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งนะครับฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าช่างเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐวิเศษอะไรเช่นนี้พระเจ้าในพระมพมีเดิมสัตว่าเราจะไม่จดจำบาปของเจ้าทั้งหลายอีกต่อไปเยเรมีบทที่สาสิบเอ็ดนะครับเราสามารถสรุปเป็นสีประโยคนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของความบาปคือหนึ่งประโยคที่หนึ่งครับการอภัยโทษคือการยกเอาความผิดบาปของเราไปสองการอภัยโทษคือการกบเกลื่อนความบาปของเราไว้สามการอภัยโทษคือการลบล้างความบาปของเราสี่การอภัยโทษคือการลืมความบาปของเราพีนองครับเราไม่สามารถอภัยโทษนะครับ ซึ่งกันแลกันได้นอกจากมีผู้หนึ่งผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเพราะว่าเราไม่สามารถยกความผิดบาปของใครออกไปได้เราไม่สามารถกบเกลืออนความบาปของเราออกไปได้ของใครบางคนออกไปได้เราไม่สามารถที่จะลบล้างความบาปของใครออกไปได้และเราก็ไม่สามารถที่จะลืมความบาปของใครไปได้เพราะว่ามันจะจำได้ดีครับพี่น้องครับมีแต่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่จะใช้คาว่าพระราชทาน การอภยัยโทษได้ก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถยกความผิดของเราออกไปพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถกบเกลื่อนความบากของเราและพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ลบล้างความบากของเราได้และพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ลืมความบากของเราพี่น้องครับก่อนจะจบในวันนี้นะครับผมอยากจะฝากพระธรรมสามข้อไว้นะครับอิสยาบทที่ห้าสิบสามข้อหอิสยาบทที่ห้าสิบสามข้อห พระเจ้าทรงวางความผิดของเราทั้งหลายทุกคนลงบนท่านท่านนี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ครับสดุดีบทที่85ข้อ2พระองค์ทรงกรบเกลื่อนบาปทั้งสิ้นของเถาอิสยาห์บทที่43ข้อ25เราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงจดจาความผิดบาปของเราอีกต่อไปพระองค์ทรงลบล้างความบาปของเรา โดยสิ้นเชิงหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีใครสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้เว้นไว้แต่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายพี่น้องครับในชีวิตของคริสเตียนเราหากเราเข้าไปถึงจุดที่ถือว่าการอภัยโทษบาปนั้นเป็นเรื่องชิวๆหรือธรรมดาสามัญแล้วแล้วก็เรากำลังสูญเสียความชื่นชมินดี จากการทราบซึ้งในเรื่องการอภัยโทษบาปที่เราจะได้รับพี่น้องครับแท้จริงแล้วเมื่อเราลุกขึ้นจากการอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวเราจะมีความชื่นชมยินดีครับเราจะมีความชื่นชมยินดีเมื่อเราได้รับการอภัยโทษบาปเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าอย่างมากนะครับสําหรับการอภัยโทษบาปนั้นและการอภัยโทษบาปนั้นจะเป็นจริงได้ก็มีทางพระเยซูคริสต์ทางเดียวเท่านั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ในขณะที่เราดื่ม้วขณะที่เรารับประทานอาหารในขณะที่เราดำเนินวิถีชีวิตในวันหยุดขอพระเจ้าเมตตาให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและวันนี้เป็นวันที่เริ่มทำงานขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านอาเมน